โยมินี่เข้าใจเหมือนเราแต่ทําไมเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดกลายไปเป็นตัวสังขารพวงแต่งตัวเองอะ่ะเพราะว่าธรรมชาติของใจไม่อาจสังขารได้แล้วนี่ทําไมเรากลายเป็นไปเป็นตัวที่หมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดคิ ด, คดหมกมุ่นหาเหตุอาบุญรบกวนวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยติดต่อใข้ควรประมวลผล ทำไมกลายไปเป็นตัวสังขารเอาสังขารเป็นตัวเราเอาตัวเราไปสังขารมันก็จะไม่อาจเป็นใจที่ไม่สังขารแม้แต่ไปเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วก็ไม่จะต้องมายึดใจอีกด้วยอีกตั้งสองขั้นตอนนะคือหลุดจากเอาตัวเราไปเป็นสังขารแล้วก็มาพบใจที่ไม่สังขารแล้วก็จะไม่จะต้องมาไม่ยึดใจอีกด้วยไม่ยึดใจที่ไม่สังขารนั่นอีกทีในเกี่ยมคนทุกข์ก็อีกตั้งสองขั้นตอนเนี่ยนี่ขั้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนนีหลงว่าตัวเราไปหมกมุ่น คุณคิดคิดหมกมบุนตบทวนก้นปรมวลผลทําความเข้าใจกลายเป็นว่าเอาตัวเราไปสังขารได้เอาสังขารเป็นตัวเราได้มันจะไม่เป็นใจที่ไม่หาจสังขารได้กลายไปเป็นสังขารปรุงแต่งเห็นไหมเนี่ยทําไม่ไม่เห็นตัวนี้แล้วหลุดไม่ได้เลยนั้นเนี่ยหลุจากสังขารไม่ได้เลยเนี่ยสิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวจริงที่หลวงปู่มั่นผูรเียโตท่านเกีย น, นไว้ในขันทบ นะคับขัสมังคีธรรมะวิมุตจ์ใช่ไหมไม่ทราบจะเข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยที่ตรงตาชี้เนี่ยอาไมให้ไหนสิไม่อยากให้ผ่านเลยไปถ้าผ่านเลยไปกลับไปจะต้องจะต้องถ้าอยู่ต่อหน้ายังทำไม่ถูก <c oughs> กลับไปต้องผิดตลอดค <c oughs> ือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่กระผมยังยังไม่เข้าถึงไงเพียงแต่ว่า ทำความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นมันก็เลยมันก็เลยยังไม่หลุดไม่หลุดจากการสังขารปรุงแต่งคือเอาสังขารปรุงแต่งเนี้ยไปทาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่ที่ที่พูดกันอาจจะเป็นเพราะว่ายังยังไม่เข้าถึงเพราะว่าในการประพฤติปฏิบัติประจำวันมันก็หลุดบ้างได้บ้างเห็นบ้างอะไรอย่างเนี้ย เพราะนั้นมันจะเพียวยืนยันในหลักธรรมเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือแม้แต่อันนี้ขอโอกาสนะครับอย่างเช่นผมมั น, ม, นมันเหมือนกับว่ายังมีความสงสัยอยู่อย่างเช่นเราพูดกันเรื่องของการสังขาปรปูงแต่งเนี่ยความจริงเนี่ยมัน เข้าใจของผมนะครับว่าการสังขารปรุงแต่งเนี่ยความจริงแล้วมันมันก็จําเป็นเพราะว่าเราอยู่ในชีวิตประจําวันมีหน้าที่การงานเนี่ยนะอยู่บ้านก็เป็นเป็นพ่อเป็นแม่อยู่โรงเรียนก็เป็นครูบาอาจารย์อยู่บริษัทเป็นเจ้านายเป็นลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันต้องอาศัยการดึกคิดปรุงแต่งการสังขารในหน้าที่การงานทั้งหลายทีนี้เพียงแต่ว่า เราปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยสติด้วยการไม่ยึด ม, มั่นถือมั่นอย่างท่านพุทธทาท่านบอกว่าทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยตรงนั้นจะเกิดประโยชน์ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้าใจมีสติปัญญาควบคุมเพราะนั้นสังขารบางอย่างเนี่ยผมผมมีความเข้าใจว่าให้ให้เรารู้ ถึงการสังขารเหล่านั้นให้เราเห็นถึงการสังขารเหล่านั้นแล้วปฏิบัติไปหน้าที่ไปโดยโดยความบริสุทธิ์ใจนี่นี่นี่คือเรื่องการสังขารและมันก็เป็นธรรมชาติที่ว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดการสังขารหรือดับการสังขารได้เพียงแต่ว่าให้เราเห็นเท่านั้นเองเห็นด้วยสติปัญญาอย่างที่ก็บอกว่ามีมีสติก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็คือการรู้นั่นเองมีมีตัวรู้มีผู้รู้นั่นเองเพราะฉะนั้น อันนี้ไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าที่ที่มีความเข้าใจตรงนี้นะเรื่องการสังขารเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคิดได้อเอาเองทั้งนั้นเลยมันมันมันเป็นข้อที่สงสัยในใจมันจึงไม่เพียวไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อย่างที่อย่างที่หลวงตา <c oughs> ได้พูดถึงความเข้าใจของของกระผมนะครับอ๋อช่วยช่วยหน่อยได้ S <S อเออลองลองพิจารณาตัวนี้นิดหนึ่งสมมติว่าสังขารที่เป็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยถ้าไม่มีเราเป็นผู้คิดเนี่ยมันคิดขึ้นเองนะมันจะผุดขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นเองโดยที่ว่าไม่มีตัวเราเป็นผู้คิดแต่เมื่อสักครู่เนี้ย <S <S อาจารย์นนเนี่ยเอาตัวเราเข้าไปคุ้นคิดชัดๆเลยมันไม่ไปเป็นสังขารธรรมชาติแต่เอาตัวเราเข้าไปเป็นผู้คิดพอเอาตัวเราเข้าไปเป็นผู้คิดปั๊บเนี่ย มันก็ไม่เห็นตัวเราสิเพราะว่ามันเอาตัวเราเข้าไปเป็นผู้คิดแล้วพอไม่เห็นตัวเราตรงนี้ก็เสร็จเลยก็มีตัวเราขึ้นมาเป็นผู้คิดอย่างที่หลวงตาว่าแต่ทีนี้ทํำยังไงละ่ะให้ไม่มีตัวเราเป็นผู้คิดถ้าเรารู้จักสองสิ่งนี้ว่าไอ้ธรรมชาติปรุงแต่งที่มันคิดขึ้นเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่ที่เรากําลังบกมุ่งทุ่คิดที่สร้างตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันต่างกันแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นให้เห็นตัวเองเวลามันทําท่าแบบ คุณคิดแบบนี้ยนึกขึ้นได้ว่าคือมีสติเราลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันเป็นผู้คิดแล้วเห็นตัวเราเป็นผู้คิดแล้วก็ถอนเสียก็ไอ้ตัวเราก็หายไปก็หลุดไปความเป็นตัวเราก็หลุดไปแล้วความคิดต่างๆก็หายไปด้วยเพราะอะไรตรงเนี้ยเท่ากับว่าเห็นตัวเองที่กําลังคุ้นคิดเมื่อเห็นตัวเองมันก็พ้นจากตัวเองก็ก็หมดไปอะไรตัวเห็นก็เกิดตัวสติปัญญาหรือว่าตัวธรรมธาตุนั่นแหละตัวธาตุรู้นี่แหละเห็นตัวเองคุ้นคิดอยู่ ถ้าเราจับข้อสังเกตเอจับความแตกต่างตรงนี้ได้เนี่ยมันจะง่ายมากแล้วเพราะความคิดที่มันผุดขึ้นเองเนี่ยมันไม่มีทําท่าแบบนี้หรอกไม่มีคุณคิดด้วยตัวเราแต่มันเป็นธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปซึ่งมีความต่างกันชัดเจนเลยอ้าวเรากลุ้คิดแล้วอ่านี่ตัวเรากําลังคิดเพราะฉะนั้นต้องมีผู้รู้มาเห็นตัวเราอีกทีนึงอ้าวเอ้หลงคิดล้วถอนออกมาแล้วก็หลุดออกไปคือ เวลาเวลาที่เรานึกคิดปรุงแต่งเนี่ยถ้าเราทำหน้าที่การงานเนี่ยมันก็ต้องมีมีเจตนาที่จะคิดวางแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นฐานะอาชีพอะไรก็ตามนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ไม่มีตัวเรามันต้องมีตัวเราแน่นอนเพราะว่าอย่างเช่นทำงานก็ต้องหวังผลความสำเร็จนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฐานะอาชีพอะไรก็ตามแต่ว่ากระบวนการตรงนี้ที่มันเป็นสังขารกันขึ้นมาเนี่ยมันมันก็ทำไปโดยภาระหน้าที่นะมีกรอบมีเป้าหมายมีอะไรต่ออะไรแต่ทีนี้ในขณะที่เราทำหน้าที่เนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งตัวเองเรามีปัญญารู้อยู่ตลอดเวลาจากการกระทำนะครับอันนั้นมันมันก็ทาให้เราทำด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็กอยากจะขอญาตยกตัวอย่างเช่นที่ที่ ท, ที่ในพระสูตรที่บอกว่าแม่โคกินหญ้าเหลียวมองลูกน้อยนะอนอนเนี่ยลกอ่อนแม่ลูกอ่อนแม่โคแม่ลูกอ่อนเนี่ยกินหญ้าแล้วก็เหลียวมองเเลืองดูลูกน้อยไปด้วยเนี่ยนั่นะคือหมายครับว่าดูจิตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันก็คือการสังขารได้ในขณะเดียวกันมีสติปัญญาควบคุมอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยการสังขารอย่างนี้ยมันมันยังมีประโยชน์ห ร, ห, ร ห, รหรือว่าใช้ได้ไหมหรือหรือว่ามีวิธีการยังไงในการสังขารปรุงแต่งตรงนี้นะครับคือคือตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องการภาวนาการปฏิบัติธรรมนะที่หลวงตาทักเนี่ยคือเหมือนกับว่า จะบอกให้รู้นะว่าแบบเนี้ยคือเอาตัวเราเข้าไปคิดถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเออใช่เลยเมื่อกี้เนี่ยมันมีเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปคิดอย่างเนี้ยเท่ากับว่าเรารู้จักแล้วรู้จักตัวเราแล้วพอต่อมาเวลาเราทํางานแล้วก็ทํางานปกติแต่อย่างไงเราก็รู้จักดีว่าอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็โ อ, อ้คิดคิ ด, คด แ, บบแบบทํางานไปแต่เราไม่หลงแล้วไงเพราะเรารู้จักแล้วว่าแบบนี้แหละเอาตัวเราเข้าไปคิด แล้วที่แบบไม่มีตัวเราเข้าไปคิดที่รู้แบบผู้รู้เนี่ยรู้แบบไหนใช่ไหมเราก็จะรู้จักเมื่อเรารู้จักความหลงก็จะไม่เกิดอีกแล้วเพราะเรารู้จักแล้วอันเนี้ยคือหลวงตาเจตนาที่จะบอกให้เรารู้จักต่างหากว่าเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเอาตัวเราเข้าไปคิดถูกไหมถ้าเรารู้จักแล้วตอนนี้เอาตัวเราเข้าไปคิดก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมเวลาหลวงตาฟังทำใครเนี่ยหลวงตาก็ต้องอใช่ไหมแต่หลวงตาไม่หลงแล้วนี่หลวงตารู้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ทํางานไป ทีนี้พออย่างเนี้ยโอเคเรารู้จักแล้วใช่ไหมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเอาตัวเราเข้าไปคิดถ้ารู้จักแล้วมันก็หายหลงอ่า แ, แค่นี้เองคือ ท, ที่พระอาจารย์ออดพูดก็ก็ไม่น่าจะขัดแย้งกันนะผมว่าน่าจะเหมือนกันเพราะว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้ว ร, รู้อ่ะแล้วว่าเราเอาตัวเราไปคิดไปอะไรเนี้ยมันมันก็น่าจะเหมือนกันนะครับไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะครับว่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมัน ท่านพอเอาพระสูตรเอาเพราะเอาพระสูตรเอาเพราะทำมาแปลข้าข้างตัวเองคือยังแก้งไม่ออกระหว่างว่าตอนเนี้ยเราตั้งใจคิดกับตอนเนี้ไม่มีเรื่องที่ตั้งใจคิดกับกัรเป็นผู้รู้แต่ตอนนี้พอมีแต่เอาตัวเราไปคิดแล้วมาเป็นผู้รู้ยังไม่เคยเจอเรายังไม่เคยเจอว่าป่อยมันคิด เราก็เป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่คิดผูกคิดไม่ใช่ผู้รู้ทำคนละตัวกันพอมองออกแบบนี้ยพอเราจะใช้ความคิดเราก็ตั้งใจคิดจะทำอะไรก็ทาได้แต่เวลาพอจะตายแล้วก็มาเป็นรู้ไม่ไปเป็นคนคิดแค่นั้นไงพอฝึกทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปใช้ตอนตายพอตายแล้วแบบเป็นผู้รู้ไม่เป็นคนคิดแต่เราเนี่ยพอตอนในชีวิตประจําวันเนี่ยแเราเป็นผู้รู้พอหมดเรื่องคิดก็มาเป็นผู้รู้ตอนี้พอตั้งใจจะคิดก็คิดพอหมดเรื่องคิดก็มาเป็นผู้รู้เราทําเป็นอย่างเนี้ย เราก็เหมือนกับมีบ้านอยู่สองหลังอ่ะหลังหนึ่งทุรับใช้ทำงานอีกหลังหนึ่งกลับมาอยู่ใส่ที่บ้านหลังหนึ่งไปทำงานคือที่โรงเรียนอ่าหลังนึงกลับมาคือบ้านพักจริงๆนี่เราเนี่ยเอาบ้านเอาที่โรงเรียนเป็นบ้านคือบ้านพักไปเลยอ่ะมันยังไม่มีไม่มีบ้านอีกหลังหนึ่งเลยบ้านที่เป็นผู้รู้ที่ว่าว่านจากงานคิดมาเป็นผู้รู้ อะอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ที่คิดไม่ได้คิดไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่คิดรู้ไม่อาจาคิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเราต า, ตาดูแลบอดพู ด, ดถูกแล้วออทา่านอะไอแปรพสูตรออกมาเนี่ยมันไม่ถูกคือเรามาแปรเข้าข้างตัวเราเองว่าอืมแม่โคเลี้ยงลูกน้อยออืเนี่ยผู้รู้เนี่ยแม่โคเนี่ยเป็นเอกคิดอืแต่ลูกน้อยน่ยคือความคิดเน้นคนละตัวกันน่ะแม่โคคือผู้รู้ ไปลูกน้อยคือความคิดมันคนละตัวกันเดี๋ยวมันยังแยกไม่ออกตอนนี้ท่านเอาตัวท่านเนี่ยไปเป็นคนคิดต้อาเห็นแล้วเลยเลยทักท่านบอกว่าท่านอ่ะเอาตัวท่านไปคิดเอาตัวไปเป็นลูกเอาแม่ไปเป็นลูกแล้วตอเนี้ยมันคนละตัวกันเอาแม่ไปเป็นลูกโคมันสลับตัวกันเดี๋ยวท่านก็ต้องมาฝึกเงียบๆแล้วก็เว้นขาดจากความคิดอาจารย์บอกว่าควรเราจะเว้นขาดจากความคิดไม่ได้ก็ถูกต้องกับมันคิดแต่มาเป็นผู้รู้มันไง เราไม่จะว่าดับไม่คิดคือคิดแล้วก็มาเป็นผู้รู้ก็มีบ้านสองหลังไม่จะว่าบ้านที่คิดเนี่ยพอเราจะเป็นผู้รู้เราก็ทําลายบ้านที่คิดหมดไปเลยแล้วก็อย่างนั้นทําไม่ได้คือจะหยุดคิดไม่ได้จิตมันจะไม่ตายแต่มันมีบ้านสองหลังนะบ้านที่เป็นผู้รู้มันมีอยู่ในตัวคนเราเนี่ยเราไม่เจอไม่เคยเจอมันเราก็มาเป็นผู้รู้แล้วไอ้คิดมันก็คิดมันโคก็บ้านคนหลังก็คือแม่โคกับลูกโคคนละตัวกัน พอเราฝึกแบบนี้ตอนเราจะตายก็มาเป็นอยู่บ้านบ้านที่ผู้รู้เราปล่อยบ้านผู้คิดเนี่ยเหมือนแหละพอออกก็ปลดเกษียณออกมาจากโรงเรียนเราก็กลับมาอยู่บ้านที่เป็นผู้รู้บ้านที่เป็นผู้คิดที่ต้องทํางานทานโรงเรียนก็ปล่อยมันดับไปตามการเวลาของมันแล้วก็มาอยู่กับบ้านที่เป็นผู้รู้เพราะอาหันทั้งหลายก็ที่ยังไม่ตายก็ฝึกมาอยู่กับบ้านที่เป็นบ้านผู้รู้ไม่เป็นบ้า น, านที่คิดไม่งั้นเราก็ อยู่กับความคิดตลอดไม่ยังยังรู้ไม่เป็นถ้าเรายังแยกระหว่างคิดก so ับรู goodbye, ้ไม่ออกพอตอนจะตายเรื่องใหญ่มากเลยแต่เนี้ยเพราะว่ามีบ้านหลังเดียวบ้านนั้นก็จะถูกไฟไหม้แล้วจะทํายังไงบ้านมีหลังเดียวจะมาอยู่บ้านหลังรู้ก็ไม่ได้เพราะมันมีบ้านหลังเดียวเหมือนกับเราเนี่ยเป็นพ่อออยู่ที่โรงเรียนแล้วเราไม่มีบ้านสุดตัวอีกหลังหนึ่งพอหมดตําแหน่งแล้วเขาก็ไล่ออกจากบ้านพักแล้วปวดหัวแล้วแตเนี้ยเพราะว่า บ้านจริงไม่มีบ้านที่เป็นผู้รู้ไม่มีตัวนี้ตายแล้วเหลือแต่บ้านที่ทํางานเราต้องที่เราตามมหาบัวว่าพนิพพานคือจิตว่างงานปลดเกษียณคือต้องปลดเกษียณทางใจไม่ใช่ว่าเราออกจากงานมาแล้วเราก็มาเป็นผู้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเหตุผลของผลเรื่องวางเรื่องอะไรเนี่ยต้องหยุดเป็นผู้คิดคนณทางโลกหยุดเป็นผู้คิดคนทางธรรมเดี๋ยวมาเป็นผู้รู้แล้วปล่อยให้จิตมันคิดก็น อ, อเป็นผู้รู้แทนอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งต้องพักจริงๆเรียกว่า ที่หลวงตามมหาพัวเรียกว่านิพพานคือการปลดกระเทือนทางใจแต่ขั้การทางร่างกายก็คือปลดกระเทืนทางกายแต่นิพานคือปลดกระเทืทางใจจริงๆหยุดมาเป็นเอาจิตทํางานดีบไม่งั้นอาจิตไปทำงานทางโลกโลกโเสร็จแล้วกลับมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เอาจิตมาทํางานทางธรรมทางธรรมทางธรรมแล้วเราควรจะคิดเปรียบเทียงกับทางโลกมาคิดเปรียบเทียงกับทางธรรมทางโลกเขาคิดเป็นอย่างงุ่นเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นทางโลกเขา เขาไม่รู้เ่าทันความคิดเขาเลยไปเลือกไปทํำบาปกรรมไปไ ป, ไปต้องไปถูกประหารชีวิตไปอะไรก็แต่คิดไปทางโลกงนั้นก็ลอคิดไปเปรียบเทียบไปงั้นน่ยก็คือนะครับเป็นการคิดไปคิดปรุงแต่งไปต้องฝึกจนกระทั่งมาเป็นผู้รู้แต่อันนี้ก็ยอมรับว่าละเอียดละเอียดจริงๆที่จะมาเป็นผู้รู้ได้ที่ไม่พูดไม่คิดไม่อัดคิดปรุงแต่งได้ ทุกจามก็สงบลงพอผูรู้ไม่คิดก็เงียบไปเลยท่านดูสิพอทําไม่คิดวุ่นวายในใจอะธรรมชาติเนี่ยมันมีความสงบเงียบสงัดของมันอยู่แล้วแต่เราหมดแต่คิดคิดคิดคิดเราเลยไม่ได้สัมผัสถึงความธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดเลยธรรมชาติในใจเราคงมีความเงียบความสงบสงัดของมันอยู่แล้วธรรมชาติภายนอกก็มีความเงียบสงบสงัดของมันแล้ว แต่เาโมดแต่หมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องประสูตรเรื่องพอระวีไนเรื่องอเรื่องปรงมัดต่างๆมันก็เลยเป็น <c oughs> แต่คิดคิดคิดคิดคิดคิดตอนนี้พอท่านหยุดปรุงแต่งหยุดเป็นผู้คิดธรรมชาติมันเงียบสงบดีทีเนี้ยสงัดตอนนี้คนเยอะนะไม่แต่เสียงลุงตาพูดเสียงนกร้องเสียงอะไรอยู่ มันก็เงียบสงบสงัดอยากให้ท่านผอเนี่ยฟังเสียงเงียบมัางเคยได้ยินมไหมฟังเสียงเงียบเราฟังแต่เสียงที่ได้ยินเสียงดังแต่เนี่ยอยู่ที่นี่ให้ฟังเสียงเงียบท่านดูสิในเสียงที่ดังของลงตาเนี่ยมีเสียงเงียบ หลวงพ่อชาท่านว่าน้าไหลนิ่งคนทั้งหลายเห็นแต่น้าไหลหลวงพ่อชาเห็นว่าในความไหลมีความนิ่งท่านดูเลยเนี่ยเสียงนกร้องก็มีเสียงพัดลมก็หมุนอยู่เสียงลงตากระดังเนี่ยแน่คือท่านได้ยินเสียงดังแต่ในเสียงดังท่านเฝสังเกต ด, ดีๆมันมีเสียงเงียบเนี่ยแคือที่สุดสุดยอดเลยเสียงเงียบ เคยได้ยินเสียงเงียบมั้งไหมพอใจเราเงียบใจเราสงบจากความปรุงแต่งเราเลยได้ยินเสียงเงียบได้ที่ท่านว่าพโสดาบันเนี่ยเห็นจิตที่มันคิดมันนึกมันตึกมันตองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดายัางกินจิสมุทยิยะธรรมังสัพพันตังนี่โลธาธรรมันติแต่พระอาหารหันต์เห็นว่าสิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับ เหมือนอย่างที่หลวงพ่ชาเล่าว่าน่ะแนะน้ําไหลนิ่งในความไหลมีความนิ่งแต่โสดาบันทั้งหลายเห็นว่าในความไหลทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดับสิ่งใดไหลสิ่งนั้นย่อมดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมแตกคำลายสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นจะไม่ดับความเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับถ้าเราแต่คิดแต่คิดแต่คิด เราก็จะไม่เห็นเลยว่าในความคิดมีความไม่คิดใจของเราเนะี่ในใจของเราเนะี่ยมันมีความคิดแต่ในความคิดมันมีความไม่คิดอยู่ในความคิดเราไม่ใช่ว่าไปพะแยกรยามรู้ออกจากคิดแต่เราสังเกตให้ดีๆด้วยใจที่สงบเราสังเกตเห็นว่าในความคิดมันมีความไม่คิดอยู่ในนั้น ในความ ไ, มไหวมีความไม่ไหวอยู่ในนั้นหรือเรียกว่าได้ยินเสียงเงียบได้ไม่ใช่ได้ยินแต่เสียงเสียงดังเพราะใจเราเงียบสงบสงัดจากความปรุงแต่งเราจึงได้ยินเสียงเงียบได้ความจริงเนี่ยเราไม่ได้ยินมันได้หูหรอกเรารู้มันด้วยใจ